เ็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปลายกับใจมากมายเป็นอกุศลก็มีเอ็นกุศลก็มีเลือกได้ถ้ามีสติถ้าไม่มีสติเป็นตัวศึกษาแล้วก็เลือกไม่เป็นเลือกไม่เป็นเสียเวลา บางทีเลือกเอาเอาโกศมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วยต่อเลือกเป็นมีสติต่อทำให้ตัวงนี่ปลอดภยัยคนอื่นก็ปลอดภัยไม่มีทุกข์ต่อเลือกจนไม่มีสิ่งที่เลือก สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกเห็นหมดแปกว่าก็ถึงมรรคถึงผลเป็นผลของการศึกษาการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีอะไรลี้ลับ <c oughs> ไม่มีลี้ลับลึกซึ้งเห็นได้ทุกชีวิตถ้ามีสตินะวิธีก็มีวิธีศึกษาก็มีวิชากรรมฐาน ที่พุทธองค์ได้ปฏิบัติมาจนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเอามาสอนคนเดินลู่ตามจนได้ชื่อว่าสมมาสมพุทธโธมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพระรัทธ์นังตยมีวสศกวิจิกาเกิดขึ้นเรียกว่าบริสัทธ์ <c oughs> มีวัดวาล า, ามเกิดขึ้นมีวิธีปฏิบัติชัดเจนแม่นยำเราอาศัยชินเหล่านี้อยู่ได้ความสงบร่มเย็นมาเราจึงต้องไม่ควรพลาด ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีการทัศนนุตริยะอาจจะบกนุ่นอยู่ในความชั่ววันเหลวสามทั้งหลายด้วยสติเงือนพิภากษากันโกงที่ผิดที่ถูกได้เพราะสติเป็นการสัมผัสทั้งกายทั้งใจทุกข์เป็นเช่นไรไม่ทุกข์เป็นเช่นไรในสิ่งเดียวกัน หลงเป็นเช่นใดไม่หลงเป็นเช่นใดในสิ่งเดียวกันถ้าเรามีสติจะเลือกเป็นมีผลมีประโยชน์ในชีวิตของเราในชีวิตถ้า เ, เรามีกรรมฐานเบื้องต้นมีสติปเนกาอยู่เป็นประจำ กายม่เคยดด ล, า ล, ล, ลายกำหนดรู้ด้วยการรู้เดี๋ยวกายกายบัพพะสัมปชัญญะบัพพะต้องมีสติรวมเลือกได้ต้องมีสัมปชัญญะรวมรู้ตัวในข่าวเดียวกันถ้ามีสติสัมปชัญญะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ถือว่าปฏิบัติธรรม เป็นความหลงมีสติเห็นหลงไม่ได้เป็นผู้หลงนี่เราว่าปฏิบัติทำแล้วดูแล้วเป็นทัศนานุตติยะ เ, เห็นปฏิปทานุตติยะมีการออกไปในสิ่งที่ไม่ดีวิมุตตานุตติยะพ้นสิ่งเหล่านั้น นี่คือการศึกษาที่แท้จริงต้องเห็นสิ่งใดหลุดพ้นจิงนั้นถ้าไม่เห็นก็ไม่หลุดพ้นเป็นการบ้านอยู่ตลอดเกิดขึ้นเวลาใดก็ทำตามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเขียเปียบความทุกข์เขียเปียบความโกรธก็มีแล้วก็ สิบหายพวมทุกข์สิบหายพวมโกรธก็มีกระทบตนเองกระทบคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็มีเราจึงไม่ควรประมาทในธรรมทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับปาหยุ่ใจไม่ควรประมาทมีอะไรที่เด็ดขาดบ้างที่ขาดบ้างไม่ใช่ขี้ขาดนขะี้ขาดขีด เป็นขี้ตายกกขี้ตายปลายขี้เป็นในชีวิตเรานี่ยเดดขาดมากนี่คือทุกนี่คือโกรดนี่คือรูปนี่คือหลง น, ออ น, นี่คือกุศลนี่คือบุญนี่คือกุศลนี่คือการหลุดพ้นสัมผัส ด, ดูเรามีสติในการสัมผัสมีรสชาติ รสพระธรรมเป็นเช่นใดรถอรธรรมเป็นเช่นใดรสพระธรรมเหมือนโอชาโยดโครสอย่างจะเราสวดพระสูตรบางที่ได้พระธรมนี่เป็นรถโอชายอดโครสท่องลอยอดโครสคือออ นมจากแม่โคที่แข็งแรงที่ยังหนุ่มเจ็ดลอยตัวมารวมกันมากองมากันเป็นหน่่ยแล้วก็ได้ลถโอชายอดโครถพระเจ้าอโกาาศกมหาลาชเอาไปลดต้โนโพจนหน่อโพที่เกิดขึ้นได้ ใช่ไหมเขาได้เห็นสูตรนี่ไหมอ่า่ขโดยยาสารเคมีเมียโน้ยของพระเจ้าโศกเห็นพระเจ้าโศกไม่กลับบ้านมาอยู่แต่ต้นโพเลยสั่งให้คนโล่น้ำเคมียาเบื่อยาฆ่ายา ลดต้นโพตายเลยเจ้าสงฆ์น่ามั่นใจอธิษฐานใจถ้าต้นโพต้นนี้ไม่งอกขึ้นจะไม่หนีเอานมแม่โพที่กำลังดีมารวมกันลดอยู่จนโหนโพที่เกิดขึ้นต้นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนีใช่ไหมหรือมันต้อนอะไ สีมหาโพธิ์ น, นันในชีวิตเรานี่มันประเสริฐกว่านั้นอยู่กับเราเองกับมือเรานี่มันมอย่างไรก็แตงได้มันหลงรู้ความเศร้าเป็นความสดชื่นเหมือนเดินม้อยเหี่ยวถูกน้ำผลจดชื่นขึ้นมาเขียวมุกไปทั้งป่าทั้งดงทั้งเขาทั้งวัดทั้งว่า ชีวิตเราควรจะเป็นเช่นนั้นสัมผัส ด, ดูแลว้วสดชื่นจกกริญกลมรู้สึกตัวเนี่ยแตได้ทุกสับส่วนทุกสิ่งทุกส่วนที่เกิดขึ้น ก, กับปปกับใจเรานี่ตัวเดียวเบื้องต้นคือสติท่ามกลางคือสติที่สุดคือสติก็สู่มรรคผลนิพพานคือสติมีสติแล้วแหละอยู่มีสติแล้วแหละอ ย, ย, อยู่เหนือก้อนเกิดแจ่เจ็บตาย ไม่ใช่เล็กน้อยนะที่เราสัมผัสอยู่นี่โอ้ให้ได้ดับเนินไปให้ทำให้มากเิกนเทมากจนเป็นมหาสติมหาสติเป็นใหญ่เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของ จ, จิตใจให้เท่าไหร่ยิ่งมากอะไรเกิดขึ้นรู้เข้าไปอย่าเป็นทุกข์ก็อย่าเป็นทุกข์สุ ข, ขก็อย่าเป็นทุกข์ผิดก็อย่าเป็นผิด หลงก็อย่าเป็นหลงลูกก็อยเป็นลูกเครียดก็อย่าเป็นเครียดหม่สตินั่นแหละตัวเดียวเป็นตัวเฉลยที่ภาคสาได้ความเป็นธรมรมเกิดขึ้นจากธรรมแล้วเราไม่ใช่ธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมเราไม่มีความเป็นธรรมมันก็เกิดความเป็นธรรมไม่ได้จึงจําเป็นต้องปฏิบัติ ทำให้กันไม่ได้ทุกคนต้องทำเองถ้าทำอย่างนี้จนเป็นมหาสติมากมาก็มีพลังถ้ามีสติมากมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อใช่ถ้าไม่ใช่ก็มีไม่มาก ชีวิตที่เราที่ผ่านมายอมรู้สึกตัวกับความหลงเราใช่อันไหนมาก ต, ตาเห็นลูกผู้ี่ยินเสียงจ้มหกได้กลิ่นลิ่นได้ลดกายสัมผัส จ, จิใจคิดทึกอารมณ์สัมผัสกับกิจใช่อะไรเบื่อเลยเหรือโผล่เลยเหรือสุขเป็นสุขแค่ไหนหรือ ทุกเป็นทุกแค่นั่นหรือเรียกว่าโป้เรีว่าเปื่อยเปื่อยกายเปื่อยใจไม่ปกป้องไม่ดูแลถึกเด่นถึกเป้าของอกุศลอยู่ตลอดเวลาสติเป็นบังเกอร์บังเกอร์ไม่รับไม่รับไม่อย่างนั้นรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนแม่ ยื่นมือโอบลูกต้อยที่วิ่งเข้ามาหามือเขาอแม่เนี่ยโอ บ, โอบไม่เก็บไม่กระทบสติเหมือนเช่นนั้นนะโอบไปโอป้โอเจ้าจังเปรียบสติ ส, ตสมชยะจะเหมือนพ่อเหมือนแม่ใช่ได้รู้สึกตัวเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆนะ ถ้าเก็บชัก้อยเปอร์นตารู้สึกตัวนี่มันจะลดลงประมาณจะห้าสิบเปอร์นแล้วไม่ถึงร้อยแล้วแต่รูกไปรูปไปรูปไป ล, ไปลองรูกก็เป็นการเยี่ยวย่จสิ่งที่ได้เป็นดีได้หนักให้เป็นเบาได้ยากเป็นง่ายไดน้นเป็นการขนส่งเป็นการเยี่ยวยา เป็นจั ก, กตววาพุทธัตลังเป็นโอสุดเยียวยาจิตวิญญาณไม่กระทบกระทือนถ้ามีสติดูแลทั้งจิตทั้งวิญญาณทั้งกายทั้งใจแล้วมันก็เป็นธรรมเปิดขึ้นไม่กุศลได้ผลอนิสงส์พึ่งพระอาศัย ในความเจ็แล้วว่าเป็นเจ่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์หากมีสติความเจ่ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ความพักผ้าจากของเล่าของชอบใจไม่เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งในไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็ไม่เป็นทุกข์เปลี่ยนได้อย่างนี้ จะเรียนสติมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เป็นรูปแบบให้มีสติจริงๆให้เอาไว้ใช้จริงๆใช้ตอนหน่อยอาการอะไรที่เกิดขึ้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาปกับใจใช้สติทั้งนั้นมันเกิดขึ้นหน่อยบางทีก็เครียดบางทีก็หงายลูเลยไรเื่อตือ่นวันนั้นแหละรู้เข้าไปรู้ทีหนึ่งก็ปลุกเบิกไป เวไปแล้วแต่ยากนักขนาดไหนจะมีอะไปิดบังขนาดไหนรู้สึกตัวขึ้นา่าเซเวเป็นทางไปได้เป็นทางไปได้ถ้าไไใช่อย่างนี้สติก็มีมาเองถ้าเราไม่ใช่สติก็ไม่มีง่ายแต่ยากหัวใจจะรู้ได้ก็พอใจไปแล้วไม่พอใจไปแล้ว สุขไปแล้วทุกข์ไปแล้วถ้าไม่ใช่สติถ้ามันถึงพอใจไม่พอใจเปชอบใจมันชอบใจมันก็มันก็แผเป็นไปล้วเหมือนไฟตกใสถ้าวางไว้นานก็เป็นแผเป็นไปล้ <c oughs> เป็นลอยปไป <c oughs> <c oughs> แล้วแผลในใจแผลในกาย เหมือนกันลดมือสองรอยเก็บรอยปวดมีตลอดทาตถ้าเราไม่ฝึกหัดถะ้าเราหัดสติจงเอาไว้มาก่อนสุขมาก่อนทุกมาก่อนผิดมาก่อนถูกถ้าเราหัดถ้าเราใช้สตินะ อะไรมาก่อนสุขสุขเป็นสุขหรือทุกข์เป็นทุกข์หรือผิดเป็นผิดหรือบางทีมีอาการต่างๆางเป็นไปกับมันบางทีก็จนลำดับลำาัใส่ใจกลายเป็นความพอใจในอาการนั้นการเป็นความไม่พอใจในอาการเช่นนั้นหลงไป ถ้าสุข ก, ก็หลงในความสุขถ้าทุกข์ก็หลงในความทุกข์ถ้ารู้ไม่ไม่หลงถ้ารู้จักตัวมันก็ไม่หลงก็ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับธรรมะ ศึกษาพระธรรมโน้มนำเข้าสู่จิตใจสัมผัสได้ชีวิตของแต่ละชีวิตถ้าเราไม่ตั้งหลักไม่มีภาวะที่รู้เป็นที่ตั้งเป็นนิมิตมันก็สติก็ไม่งอกไปงาม เหมือนต้นกล้าที่ไม่ได้ปักลงดินมันก็เหมืองอกไปงามเหมือนต้นข้าวต้นกล้าที่เราปักดำมันถอนขึ้นมาแต่มันไม่ตายมันรออยู่บนน้านัน่นหรือมันล้มอยู่มันก็ไม่ตายแต่แบบมงอกไปงามแ้่ถ้าเราปักลงดินซะมันก็จะก็งอกงามขึ้นมาได้ ส ต, ติควรจะมีที่ตั้งไม่ในกายมันก็งามในกายส ต, ติตั้งไว้ในใจิตใจมันก็งามในใจิตใจถ้าเรามีความหลงไปในกายโงมหลงก็งามในกายก็มีหลงไปในใจิตใจก็มีงามความหลงงามในใจิตใจถูกอกุศลครอบงำเป็นบาป บอกบางแม้แต่ความคิดก็เป็นทุกข์ไม่มีความรู้จักตัวเลยในทุกเป็นทุกข์จึงมา่ฝึกตนสอนตนอย่าไปเชื่อใครเชื่อการกระทำของเรานี่เวลามันหลงรู้นี่ศรัทธาเกิดขึ้นอย่างนี้ความเพียรเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรู้ มีสติเกิดขึ้นแล้วงอกงามขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นรูปสติงามตรงนั้นเหมือนชาวนาปลูกข้าวปลูกเงินเราสร้างความรู้บางทีมันเปิดความหลงชาวนาปลูกอ้อยมันเกิดญ้าเขายังมาปลูกข้าวมันเกิดย่ามาจากพืชขึ้นมา แล้วน้าก็ถงถอนต้นหญ้าต้นพืชด อ, อกที่มาใช่ต้นข้าวข้าวจึงจะ ง, งามชั้นใดก็เหมือนกันปูนเปก็มาได้ควอมหลงมาใช่สติควมทุกข์เป็นใช่สติอะไรที่มันพอใจไม่พอใจไม่ใช่สติสติมันไม่เป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นสติ สติเป็นในกาเป็นใ้ใจพื้นที่ที่ปีนสติลงสู่กายใจจนเป็นใหญ่ในการในใจอะไรที่เกิดขึ้นกับปลายกับใจไม่เป็นอะไรกับมันะ่ะต่อไปแนละ้วเพราะสติมันใหญ่แล้วและใหญ่แล้วเป็นอำนาจเป็นเจ้าถิน่นเจ้าของกายเจ้าของจิตใจ มีอำนาจมีสิทธิเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อกายต่อใจอติอีเป็นเจ้าของถิ่นในการในี้ใจแล้วอำนาจของติตนี้ไปถึงมรรคถึงผลน้อมกายน้อมใจไปถึงมรรคึงผลมีอยู่ในกายในใจนี้มรรคผลต่รูปในนามนี้ ถ้าไม่พึกมันก็ไม่เกิดราจจะเป็นเกิดแก่เจ็บตายไปยอมรับวันนี้ก็แจ่ไปอีกวันหนึ่งมันเอาชีวิตเราไปด้วยมันมีชีวิตที่ผ่านไปถ้าเราปล่อยให้สุกันทุกเกิดกับกายกับใจเวลาก็คืนกินเล่าไป แต่เท่าไปแล้วเรามีสติเปในกายในใจเราก็เกินกินเวลาเวลาก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้ชีวิตยิ่งนานวันยิ่งได้ชีวิตยิ่งแก่ก้าเหมือนกับว่าแก่เพราะความรู้ไม่ใช่อยู่นอนแก่เพราะความรู้ไม่ใช่อายุ นานไม่แก่เพราะอยู่นานไม่ใช่แต่เพราะความรู้ต่างกันนะแล้วก็ได้ชีวิตชีวิตเปนต่อยอดจากรูปจากนามนี่ไปต่อยอดจากหลงเป็นรูปต่อยอดจากทุกข์เป็นรูปต่อยอดจากโกรธเป็นรูปยอดชีวิตอยู่ตรงนี้ ก็ยอมให้มากมาเต็มที่ทมีสิสทธิใครก็เหมือนกันหมดมาอาการที่เกิดขึ้นกับกางใจมากมายมานั่นแหละเปนที่เกิดของสติได้<า><า>อย่าให้พลาดชาาบางทีก็มีตัวเบาปฏิบัติไป ผู้ปฏิบัติมีอาการเกิดขึ้นได้หลายอย่างมีปิติอิ่มใจสุขใจขนพองสยองเข้าน้ำตาไหลตัวเบาตัวลอยปิติอิ่มใจไม่กินข้าวไม่กินน้านก็อิม่มไม่หลับไม่นอนก็อิม่มเพราอย่าไปลองมันปัจธิสงบปฏิเสธทานอื่นเลยปัจจิสงบ เวลาฉันข้ากูอยากยื้อไปอันอื่นอยากจะพั้นเข้าในบาทฉันเฉยจก็อิ่มก็ก็ก็ได้มันมีปัจฉิสงบผิดใจก็อย่าไปหลงบางทีมีความรู้แตกฉันจินตยานทะลุทะลวงก็อย่าไปหลง บางทีไม่มีความรู้อะไรยากอะไรก็ยุ่งไปหมดก็อย่าไปหล ง, งมันเมื่อสีดำเมื่อสีขาวทั้งนั้นความสุขความทุกข์ความสุขเมื่อสีขาวความทุกข์เมือมม่อสีดำํำสติไม่ต้องอยู่ตรงนี้เห็นทั้งสองอย่างเรียกว่าทะลุทะลวงได้ เรงได้บทเรียนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับปากกับใจนี่อะเราที่มันเกิดขึ้นกับวากกับใจได้บทเรียนบางทีเมื่อมันไม่รู้อะไรก็ยากเศร้าเศ้าไม่ใช่นะอย่าให้มันถึงอย่างนั้นรู้จักตัวซะไม่มีค่าอะไรเพราะว่าที่รู้ไปในกายในใจนี้มีแต่รู้เท่านั้นไม่เป็นอะไรกับอะไร <c oughs> มันเครียดก็ได้ไม่ได้แสดงถึงความเครียดแต่พระบะถี่รูยังเบิกบานอยู่เสมอบอนในขณะที่มันเหมือนกันดอกบัวดอก อะไรเดี๋ยวใช้มาธรรมจักดอกดอกบานเที่ยงใช่ไหมแสงแดดป็นบานดอกบัวเวลาถูกแสงแดดป็นบานดอกบัวจึงเป็นสัญญาลักษณ์ของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบชีวิตของคนเหมือนดอกบัว เวลามาทุกมันบานเป็นพุทธะขึ้นมาออกปัวเมื่อรับแสงแดดมันก็บานออกมางามตอนนั้นืดเมืดอะไรก็ปิดไม่ต้องบานคือธรรมดาแต่วเวลาคือปกตินั้นจะมีพุทธะต่อเมื่อมีปัญหาลู้ตื่นเบิก บ, บานสำหรับมีปัญหา เหมือนกับปัญญาได้ปัญหาได้มีปัญหาก็มีปัญญาเหมือนดอกเหมือนกับดกบัวนั่นละปัญหาเป็นปัญญาพุทธภาวะที่มีอยู่ในคนนี้ํำหรับบานในขณะที่มันมีทุกข์มีโทษมีอาการที่เกิดขึ้นกับกายใจที่มันเป็นทุกข์แล้วก็แบ่งบานที่นั่นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ ฉันทุกไม่เป็นทุก์คนจากทุกนี่ <c oughs> <c oughs> นี่คือดอกกัวคือพุทธถ้าทุกเป็นทุกไม่มีภาวะพุทธเหี่ยวเลยทุกก็เหี่ยวแห้งไปเลยพุทธภาวะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าจึงตื่นตรงนี้เป็นพุทธเจ้าเพราะความทุก ไม่ใช่เกิดมางดตามอะไรเป็นพระเจ้าเลยไม่ใช่เห็นทุกข์ทำไมเกิดมาพระทเจ้าอห็นเหตุได้เกิดทุกข์ต่อตอบทุกข์ได้ลงมีวิธีปฏิบัติต่อเช่นนี้คือพุทธะเราไม่ต้องไปลําดับวิธีปฏิบัติสมบูรณ์แบบ ปฏิปฐานสีสมชยบพะก็ตั้งขึ้นที่นี่งอกขึ้นที่นี่ตั้งต้นที่นี่ก็เป็นไปเองพระเจ้าได้แสดงหลายของควม่มเปิดของที่ปิดแล้ว เขือนของที่มีส่วนชิริวทิ้งหมดแล้วนี่ <Okay. S 1> ปฏิบัติธรรมเหมือนเช่นนั้นแต่เราทำตรงนี้พระเจ้าพระศาสดาก็อยู่เฉพาะหน้านี่แล้วพระเจ้าก็ผ่านไปตรงนี้เห็นลอยอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมสัมผัสกับภาวะความเทศความจริง ต้องเห็นลอยพระพุทธเจ้าลอยพระบาทคือลอยปฏิบัติมีเหมือนกันนั้นหละอาจะพู้เจ้าศีรษะอาจจะยากกว่าเราโอ้เสียงโรโอมไม่ดีมาจจะเก็บจะไข้ด้วยไม่มีล่มมีเงาไม่มีเพื่อนมีมิตร นี่เด็กชายสวัสดิ์เท่านั้นใช่ไหมที่เลี่ยงควายอยู่เป็นเพื่อนในเรื่องหลังสีเหมืงอ่างโพเลยนะไอ้ชายสวัสดิ์นี่อายุประมาณ10ขวบกับ น, น้องเป็นเด็กจันทานเลี่ยงควายให้เจ็ถีบางที่อาจจะรีดนม ไว้มาให้พระพะุทธเจ้าด้วยพระเจ้าก็รักมากสิสวัสดิ์รูปหัวลูกตัวอยู่มาอยู่ด้วยกันตอนที่พระเจ้าจะจเสด็จไปโปรดปัญจวัคคียนะ์นั่นอาสวัสดิ์ก็ยขอติดตามไปด้วยพระเจ้ามาให้ไปยังมีน้อง ไห้โตก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกเราพูดไปเช่นหน่อยได้ไหมฮะ <laughs> เออางวัดขอตามไปแต่ว่าพระเจ้าเข็นว่ามีน้องอย่งางน้อยอยู่มีแม่เรีรับจ้างเลี้ยงควายลีดนมไปให้น้องให้แม่กิน เดี๋ยวเราจะโอกาสจะกลับมาอกีกประมาณหปีพระเจ้าไป ป, ดปูดเป็นยากษีแล้วไปตั้งวัดเอรุวันแล้วกลับมาหาก็มาทวงสวัสด์ยังเห็นกันอยู่เป็นหนุ่มขึ้น ถานก็ยังไม่ลืมสวัสด์ก็ยังเง ย, ย็นยอดอยู่โตขึ้นมาจะขอบวชว่าอย่งไรสวัสด์ยังเง ย, ย็นยอดจําได้หรือจําได้เราลองว่าสวัสด์ก็บวชดอดีก็ลาหุนก็บวชแต่สวัสด์อายุมากกว่าลาหุน อายุไม่เกินไม่เกินกันนะก็ไปไหนมาไหนไปด้วยกันเด็กน้อยสมัยนู้นเขารักกันเวลาพระเจ้าขนาบลางหุนเด็กน้อยมันก็งอแงบ้างสวัสด์ก็ไปเล่นด้วยพูดพระเจ้าก็บอกสวัสด์ไปตามลาหุนมานี่มีหลายข้าง สมบัติต้องเป็นเลยเกี่ยวกับลาหุนไปตลอดนี่จะยากกว่าเราเอาเด็กน้อยเป็นเพื่อนเรายังมีครูบาอาจารย์มีแม่คีทำาหารให้กินอยู่กันสบายอย่าค่อยได้ป่วยกว็ไม่ลดพาปห้าหม อ, อาหารการจีง ก, ก็ตั้งอยู่บนโต๊ะเอาเลย ขอสนับสนุนขอส่วนร่วมกับการปฏิบัติแต่พวกเราเหมือนกั น, นแหละ ท, ลลลท่านร่อนเราก็ร่อนถ้าเหนื่อยเราก็เหนื่อยถ้านหนาวเราก็หนาวท่านเจ็บเราก็เคยเจ็บเคยทุกข์เค ย, เคยผิดเคยพลาดเกียนตายเหมือนกันอย่ามาคุยอวดปฏิบัติทำเหมือนกันหมดน่าจะมาต่อรองเลย คิดว่าเราก็สุดยอดแล้วความผิดความทุกข์เกินนี่ไปก็ไม่มากแล้วอาจจะไม่ไม่ทุกข์บางคนก็สะดวกหลายอย่างสบายๆเรามืองอบวดนี่ทิ่งลูกทิ่งเมียมาทิ่งพ่อทิ่งแม่มาไม่มีใครเห็นด้วยเลย คนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมีย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไว่เคยมีแล้วธรรมด า, อ, าอันนี้บางทีเราก็มาอย่างงดงามเนี่ยลูกก็เกิดได้เ็ดวันนี่มาบวชเนี่ยต้องคิดมาทำอย่าง น, นี้แล้วเปรียบเทียบเอเราจะมานี่มันจะมีประโยชน์อะไร แล้วลูกก็จูอย่างนายัยเมียจูอย่างนายัยเราอยู่บ้านแล้วก็ทำโน่นทํานี้ได้ไม่อยู่นี่ไม่ได้อะไรบางทีมันก็พ้องตัวเองออเอใส่จตติเอใส่เพื่อนเอ้าเขาก็มีเพราะนั้นก็มีเพื่อนก็มีอยู่ถ้าอยู่คนเดียวเหมือนพระเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่อยู่แล้ะกลับบ้านแล้วนี่เราเห็นเพื่อนเห็นไม่คีเห็นพระชนสง่งเห็นยอดเห็นโยม อ้เขก็เหมือนกันหมดยิ่งเห็นหลวพเทียนเนี่ยเอาเอาหลวงพ่อเทียนคนเดียวล่ะยึบปาบทานยึดหลวงพ่อเทียนพูดจัางไหนเจงที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้คนลงมาต้องลูกเจงขนาดไหนต้องทำได้มันก็คิดแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราจะมาคิดถึง อันอื่นยิ่งกว่าคิดถึงสิ่งนี้แล้วก็น้ำหนักมาทางธรรมบางเรก็เรียนพูดถึงธรรมะหนึ่งเราไม่เคยได้ยินแล้วไม่เคยฟังแล้วก็สอนใจก็ตัดมาตัดมาตัดมาตัดมาฟังเทศฟังธรรมทุกเข้าทุกเกณฑก็มีกําลังใจขึ้นมาไม่ใช่อยู่คนเดียวนะ ต่านต้องหลายที่ปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเหมือนกันหมดนั่นแหละบางทีนั่งอยู่นี่ตัวเบามองพืนเหมือนกับลอสูงขึ้นไปก็เคยทำอย่างนั้นเหมือนกันยกตัวขึ้นกับยกขึ้นสูงเอาตัวลงมาก็ลงเหมือนกับดอนพื่นเพียงตาอยานี้ก็มีอันนั้นอย่าไปโ น, น้มใจเล่นกับมันไปรู้จักตัวมันจะดวน ต่อไปทาอย่างนั้นเกิดขึ้นมือเนิ่นช้าบางทีไปไม่ได้ติดสงบติดสุขติดปิดติติดิมิติมิตรมีหลายอย่างมีทั้งสีมีทั้งเสียงแสงมีกลิ่นอันเสียงไม่ค่อยมีหรอกมีแสงนี่มีเออแสงสว่างขึ้นนั่นก็ยกไปเชื่อมีกลิ่นมีรสอื่นนื้นมรอยตัวเองก็อิ่มเมืนซื้อข้า ก็อย่าไปเชื่อติปัสธิเป็นความรู้จินตยานแตกฉานไปหลายยางเบินจนกงกดเทศแสดงอยู่นั่งก็แสดงธรรมจริงหล่านี้ไม่เคยมีใครพูดเราจะไปพูดเรื่องนี้ไปบอกคนนั่นไปบอกคนนี้คิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ก็อย่าไปหลงกับมัน กับ ม, มีสติรู้จักตัวเมื่อเพลินอยู่กับเจนานก็เดินชอบเฉียวลวกับความรู้เฉียวลัวความสุขเฉียวลักกับความปิติเฉียวลักกับปัจฉทธเฉียวลัวกับกินตะนสนุกลูก่ันลูนี้อย่าไปหลกับาหาตีตัง้งมีสติไ น, น ถูกต้องคือสติกับมารู้จักตัวถ้าไม่รู้จึกตัวก็เคลื่อนไหวเป็นกรรมเป็นที่ตั้ ง, งช่วยได้ อ, อนี่คือปฏิบัติถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาได้รู้มันได้เห็นเมื่อศึกษาก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่มันไม่ฟรีถ้ามีสติดูกด้วยใจมันจะแดงออกว้เห็นละ สิ่งใเสิงหนึ่งเกิดขึ้นกับกากับใจแน่นอนเราจะได้เรียนรู้มันอะไรเชื่อมันเกิดขึ้นกับรู้สึกตัวจะกลับมานี่ไวๆอย่าไปเดินช้าให้สุขปนสุขใหทุกข์เป็นทุกข์ให้หลงเป็นหลงให้รู้เป็นรูในน้ให้ยากเป็นยากให้ง่ายเป็นง่ายไม่ไปตรงนั้นกลับมารู้สึกตัวไวๆซะก่อนมันจะลัแล้มันจะแตกฉานทีหลังเอง หาคำตอบจะหารายละเอียดเกินไปมันน่่นช้ามันใช่มาหาคำตอบจากความคิดอย่าให้ความคิดอย่าให้ตอบได้พวมคิดให้สังผัสสัมผัสเอาการตอบได้จากความคิดทเรื่อยวิปัญนูมันไม่จริงมันเกิดมันหมดไปได้มันลืม เห็นแจ้งเห็นรูปเห็นนามเห็นใจลักเห็นทุกข์เห็นอาการเตอนที่เกิดขึ้นกับรูปนามไม่ลืมเลยเห็นความแก่ความแก่ความตายไม่ลืมเลยมีสติทั้งนั้นทำนอนที่สุดคือสติเป็นปริญญาต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยเป็นปริญญาทำนานไม่เป็นอื่นไปนี่คือสติ อวันนี้ก็สมควรเจอเวลากับพระพร้อมกัน